เหมือนจะบดหัวใจให้เป็นแผลตอนที่สิบเอ็ดหัวข้อที่ 5.2.2 พวกให้ร้อยทำหนะ้ากลับกันนะ่ะนะข่าวโน้นเราพวกที่ให้ห้าจะทำร้อย คราวนี้พวกให้ร้อยแต่ทำแค่ห้านี่ก็เป็นพวกสั่งให้ทำอะไรก็ทำเหมือนกันแต่ทำพอเป็นพิธีหรือเสียมิได้ทำสังกตายนี่ก็จิตทารกเหมือนกันบอกให้ร้องไห้พานเงียบยกตัวอย่างบอกให้ทำเดี๋ยวนี้นะวงเล็บแม่กุ้นก็พานั่งเฉยๆนี่ก็ดื้ออีกแบบหนึง่งนะ แต่อันนี้เป็นมุมตรงนะเป็นมุมตรงอย่างเช่นบอกให้ทําคือแสดงว่าตอนแรกต้องไม่ทําใช่ไหมแต่บอกให้ทําก็ทำไงจะทําให้นิดเดียวไม่ทํามากาทำแค่แค่อะไรอะ่ะแค่ไอ้ใจชื่อปรทับก็แล้วกันแต่ไม่ได้บอกนี่ว่าให้ทํามากให้ทําน้อยเพรา ะ, ะนั้นก็ทํานิดเดียวก็พอคืออันนี้เป็นมุมตรงไงแต่คราวที่แล้วเนี่ยเราเป็นมุม n e g a t i v ใช่ไหม บอกให้สมมุติว่าบอกให้เงียบยิ่งร้องแต่คราวที่สมมุติว่าบอกให้เงียบมันเงียบเหมือนกันนะมันเงียบสักแป๊บหนึ่งอนะันเดี๋ยวมันร้องใหม่ <c oughs> นะอันนี้เป็นมุมตรงแต่มุมตรงอย่างที่ที่เรียกว่าให้เห็นถึงความที่ยังไม่ยอมอยู่ทั่นเองยอมนิดนึงมีส่วนยอมอยู่นิดนึงแต่ยอมแค่นิดเดียวนั่นเองแล้วเดี๋ยวก็ไม่ยอมอีกหรืออีกตัวอย่างหนึง่ง พวกที่ผู้หลักผู้ใหญ่ว่ากล่าวแล้วเฉยๆแต่ฮึดฮึดฮดฮดฮัดในหัวใจก็เข้าข่ายพวกข้างบนนะหมายถึงว่าพวกข้างบนละกีเนี้ยข้อละกี้นี้ส่วนอีกหัวข้ อ, ขอนึงก็ขยันท่องหนังสือสิลูกนะวงเล็บท่องสองสาวันเลิกนะก็ะเนียกระทำนิดเดียวอะ่ะกวาดพื้นหน่อยนะบอกให้กวาดพื้นหน่อยก็กวาดเหมือนกันปัด ป, ดปดสักสองที ก็ถือว่าให้แต่กวาดแล้วบางคนก็ไปจับไม้กวาดมาลากมาสักหน่อยหนึ่งก็ถือว่ากวาดแล้วนะประเภทนี้ค่อนไปในทางขี้เกียจพวกให้ร้อยทํา5นี้ถ้าสังกตายทําไปทําทําไปก็เข้าข่ายข้อข้างบนเหมือนกันเพราะจิตมันยังต่อต้านยังฝืนอยู่นะยกตัวอย่างแม่บอกให้ลูกกวาดบ้าน วงเล็บลูกก็ทนทำไปพระบอกให้ลูกสิทธกว่าลานวัดวงเล็บก็ทนกว่าทรงๆไปคือยอมเหมือนกันพวกนี้จริงๆแล้วดีกว่าพวกโน้นนะพวกนี้ยังมีตัวยอมอยู่เพียงแต่ว่ามันยอมโดยชนิดที่อะไรอะฝืนมากๆเลยเพราะฉะนั้นมันจะมันเลยยอมได้ิดีเดียวคนที่ยอม คือจริงอาการยอมเนี่ยนะมันยอมเนี่ยมันหมายถึงว่ามันต้องตามใช่ไหมมันเหมือนกับไปตามน้ำอย่างเงี้ยยอมเนี่ยมันต้องลอยไปตามน้ําแต่ไม่ยอมเนี่ยหมือนก็ต้านเนี่ยต้านแต่พวกนี้เนี่ยเอ่อยอมเนี่ยมันยอมได้แค่พักเดียวมันยอมได้แค่นิดเดียวแต่จริงๆรเนี่ยมันฝืนอยู่มันต้านอยู่มันยอมแต่ภายนอก ยอมภายนอกจริงๆใจก็ยอมมันมีส่วนอยู่ไม่อย่างนั้นเนี่ยกายภายนอกมันจะฝืนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นกําลังของการยอมในใจเนี่ยมันมีกําลังอยู่เหมือนกันแต่มันพูดง่ายๆว่ามันไม่ถาวรมันไม่หนักแน่นพอเพราะมันยอมได้นิดเดียวมันฝืนได้นิดเดียวเนี่ยเสร็จเดี๋ยวกาลังที่ฝืนไปก็หมดแรงแล้วเพราะไอ้กิเลสที่มันผลักอยู่มันต้านอยู่มันมันไม่ยอมอยู่เนี่ย มันก็จะขึ้นมาชนะอีกพอมันขึ้นมาชนะเนี่ยมันก็ทําให้คนนั้นเนี่ยบางทีทําไปนิดเดียวก็เลิกทำแนละ้วไม่ยอมทําต่ออันนี้ให้เห็นถึงความความไม่มีพลังในการที่จะฝืนฝืนสู้กับกิเลสตัวเองโดยเฉพาะอาการที่เราเห็นชัดที่สุดอันตราไม่รู้นะว่าเดี๋ยวตัวอย่างเขาจะมีนะแต่าการที่เราจะเห็นชัดที่สุดก็คือตอนจะตื่นนอนเนี่ย <laughs> ที่เราจะเห็นชัดที่สุด <laughs> เพราะว่าพอถึงเวลาอย่างเงี้ยสมมติว่ามีเสียงะระฆังหรือเสียงถึงไอเสียงเวลาที่เราตั้งนาฬิกาปลุกไว้สมมุตินะกึ๊งยเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ้โหตื่นดีหรือเปล่าวะืนบางทีไปกดไอปุ่มนาฬิกาปลุกแป๊บไปเสร็จปั๊บนอนต่ออะไรอย่างเงี้ยคือคือใจใจใจริงๆตัวเองก็อยากอยากจะตื่นนะเพราะว่ามันมันตั้งใจเอาไวใช่มมันตั้งใจไวเหมือนกัน เพรมันฝืนนิดนึินคือพอมีสติขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมบางทีเนี่ยบางคนนี่ฝืนได้มากหน่อยก็ลุกขึ้นม า, ล, นมาลุกขึ้นมาค่อยๆลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมาเสร็จก็เอ้ยแห่มันยังเช้าอยู่หรือว่ามันยังยังมีเวลาอยู่อีกหน้าเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็ลงไปต่ออย่างนี้คือมันฝืนได้แค่แป๊บเดียวฝืนได้แค่ชั่ววูบชั่ววา่าไม่ใช่ว่าฝืนไม่ได้เลยมันฝืนได้เหมือนกันแต่นิดหน่อยเท่านั้นเอง แทบที่จะไม่มีกําลังเพียงพอที่จะไปต้านได้มันเหมือนกับไอ้เขื่อนเนี่ยเขื่อนเราสร้างเอาไว้เนี่ยเขื่อนบางหรือเกินเปราะหรือเกินถ้าจะว่ามันต้านน้ําเลยไม่ได้ก็ไม่ใช่มันต้านได้เหมือนกันแต่ถ้าน้ํามาเอื่อยๆมันต้านได้แต่ถ้าน้ํามาแรงขึ้นนิดเดียวเนี่ยพังเลยข เ, เ, เขื่อนพังเพราะฉนั้นพอเขื่อนพังน้ําก็ไหลข้ามหมดมันเหมือนกันจิตของเราเนี่ยมันตอนแรกมัน มันฟื้นอยู่ได้ฟื้น อ, อยู่ได้แต่มันได้แค่คืออินทรีย์พลัมันอ่อนนั่นเองเพราะว่าอันนี้ไม่ฝึกเจโตแหะไม่ฝึกจิตให้มันมีพลังไม่ไม่ฝึกจิตให้มันมีความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นพอกิเล็มันฮึดขึ้นมาหน่อยเดียวเท่านั้นเองไอ้เจโตของเราก็หมดหมวยหมดสิ้นสกุลไทยนะเพราะฉะนั้นมันก็แพ้มันก็ต้องไปทําตามกิเลสนะหรือว่าเนี่ยบอกให้ตื่นตีสี มาฟังทำวงเล็ ża, บก็ทนมาอย่างนั้นอย่างนั้นแหละบางทีก็มาหลับต่อแล้วมันฝืดไม่ไหวเนี่ยไม่มีกําลังพอหรือเห็นเขากินบางสิวิราชก็เอาบ้างแต่เพียงแต่ยังไม่มีปัญญาการทําตามเขาก็เข้าขายข้อนี้แต่ก็รึกซึ้งขึ้นนะเห็นไหมฝืดเหมือนกันแต่ฝืนโดยที่ อะไรอะ่ะเมื่อมันไม่มีการพิจารณาไม่มีการทำมวิจัยไม่มีการที่จะมาทําปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้จิตเนี่ยมันแน่วแน่หนักแน่นมั่นคงถาวรเมื่อไม่ทําได้อย่างนี้เดี๋ยวก็ลม้มเหมือนกับคนมาถือศีลหรือคนมาอยู่วัดเนี่ยคุณจะทําไปได้ระยะหนึ่งแต่มันโชคดีตรงที่เรียกว่าเรามีหมู่กลุ่มหมู่กลุ่มนี่ช่วยเยอะ นะอิทธิพลขมูกลุ่มเนี่ยมาช่วยทำให้เรามีพลังแต่ถ้าคนนี้เนี่ยแม้อยู่กับหมู่กลุ่มก็ตามอยู่กับหมูมิตรดีสายดีก็ตามแต่ถ้าคนนี้ปรากฏว่าไม่ได้มีธรรมวิจัยไม่ได้ฝึกที่จะสลายไอ้ตัวกิเลสที่มีอยู่เดี๋ยวเอเผลอไม่ได้เผลอเมื่ อ, อไหร่เนี่ยมันถอยทันทีเลยน้ําหมูกลุ่มเนี่ยช่วยได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองไม่สามารถจะช่วยได้อย่างถาวร เพาะถาวรจริงๆมันอยู่ที่จิตเราเองคนอื่นไม่สามารถจะช่วยเราได้จริงๆนะผู้จ้าถึงได้ตรัสว่าเป็นเพียงผู้ชี้แนะเป็นเบียงที่ปรึกษาเท่านั้นเองแต่กําลังของจิตเราจริงๆมันมันอยู่ที่ตัวเราเองเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่ฝึกสลายกิเลส ข, ของเราลงไปให้ได้เนะี่ยเดี๋ยวก็ลม้มในที่สุดก็ลม้มและส่วนใหญ่เนะี่ยล้มจริงๆด้วย คนที่จะรอดได้นี่ยากเพราะฉะนั้นคราวนี้คนที่จะรอดได้เนี่ยมีอยู่ทิศเดียวมีทางเดียวเท่านั้นเองคนที่จะรอดพ้นจากกิเลสไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะเรื่องการเรื่องกินเรื่องนอนแล้วเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่จะรอดได้เพราะว่าคนนั้นเนี่ยหมั่นสู้อยู่เสมอฝึกฝึกฝนในการฝืนอยู่เสมอเสมอเสมอจนกระทั่งจิตมันมีพลังมากขึเลยมากพึ้นเรื่อยมากขึ้นเรย มันเหมือนกับเชื้อโรคมันเข้ามาในตัวเราเนี however, ่ยเชื <t <t ้อโรคอ่อนๆนะไม่ใช่เชื้อโรคเข้มเชื้อโรคอ่อนๆมันเข้ามาใช่ไหมเราก็สร้างภูมิค่อยๆสร้างภูมิสร้างภูมิวันหลังเชื้อโรคเข้มเข้ามาเราเราสู้ได้ละเพราะว่าเรามีภูมิคุ้มกันเอาไว้มันก็ทําร้ายเราไม่ได้เชื้อโรคเพราะว่ามันอยู่ที่การฝึกฝนถ้าในอันนี้มันอยู่ที่การฝึกฝนจิตของคนนั้นถ้าคนนั้นฝึกฟื้นเรื่อยวันละนิดฝึกฟืนเรื่อยวันละหน่อยขอให้ฝืนทุกวันแต่ฝึก ในที่สุดคนนั้นจะชนะในที่สุดไม่มีแพ้เพราะว่าอะไรเพราะาเจโตเนี่ยแข็งขึ้นเลยจิตกําลังของจิตเนี่ยจะแกร่งขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดกิเลสเนี่ยมันมันมาทำไม่ได้มาทําร้ายทํำลายไม่ได้นั่นเนี่ยการขัดขืนหรือปฏิเสธนั้นถ้าเราลองจับจากการสนทนาก็พอจะเห็นกันได้เพราะบางทีคุยอะไรกัน มักจะขึ้นต้นด้วยประโยคปฏิเสธซะก่อนแล้วอาจจะขึ้นต้นด้วยไม่หรือขึ้นต้นว่าเปล่านะอันนี้หมายถึงเวลาจะให้ทำอะไรหรืออะไรเงี้ยคือคือเราปฏิเสธก่อนเลยนะเขายกตัวอย่างว่าไปไหนมาไม่ไปวัดมาอันนี้โอ้ย น, นี่มันสำนวนนะกินอะไรเปล่า กินขนมมานะ่ะอันนี้มันสํานวนที่จริงอันนี้มันยังไม่ใช่การปฏิเสธจริงๆนะเข้าใจไหมแต่อันนี้บางทีเป็นแค่สํานวนที่คนมันติดปากแต่ยังไม่ใช่เป็นการปฏิเสธที่แท้จริงนะที่อันนี้เขายกตัวอย่างมาเนี่ยนะจิตมันชิงปฏิเสธก่อนพูดซะอีกนะซึ่งอันนี้เนี่ยที่เขายกตัวอย่างมาเนี่ยมันยังไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ตรงทีเดียว เพราะว่าอันนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ไปวัดมานั้นที่บอกว่าเนี่ยไปไหนมาไม่ไปวัดมามันเป็นแบบคําเหมือนกับคําอุทานเหมือนกับคําอะไรแล้วไม่ใช่ว่าเขาต้องการปฏิเสธเขาไม่ได้มีจิตปฏิเสธเลยอันนี้ต้องแยกกันให้ให้ชัดประเด็นละอ่มันกลายเป็นคําคำคำอุทานคําอะไรนําหน้าอะไรขึ้นมาเท่านั้นเอง โดยที่ไม่ไม่ใช่ว่าเขาคิดจะปฏิเสธเขาไม่ได้มีความคิดปฏิเสธเลยนะตอนนี้ถ้าในกรณีที่เขาบอกกรีนะที่บอกว่าเป็นการปฏิเสธคือคนนั้นปฏิเสธจริงๆฟังดูนะไม่ใช่กรณีที่ระเกี้อาตมาพูดถึง น, นะคราวนี้อาตมาพูดในะอีกกรณีหนึ่งตามที่เขาต้องการจะยกมาคืออันนี้เขาต้องการยกตัวอย่างมาเพื่อให้เห็นถึงพวกที่ให้ร้อยและทำห5า เข้าใจไหมคือพวกที่บางทีเนี่ยจะถามก็ตามจะอะไรก็ตามเนี่ยปฏิเสธไว้ก่อน<ม>เพราะทั้ขงข่าวนี้คนนี้ปฏิเสธจริงๆถามว่าไปไหนมาเนี่ยไม่ไม่ได้ไปไหนคือปฏิเสธก่อนจริงๆมีจิตปฏิเสธจริงๆบอกไม่ไม่ได้ไปไหน<ม>อ่้อ่าไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่บอกว่าเนี่ยไม่อ่าอ่า ก็บางทีมันพูดสั้นๆเนี่ยบางทีเขาไม่ใช่พูดยาวแต่ว่าจะให้เห็นว่าถ้าเราปฏิเสธอะไรสักอย่างหนึ่งนะสมมุตินะใครมาถามอะไรเราเนี่ยเอาอย่างเช่นเลขข้อเนี้จะช่วยอธิบายให้ฟังได้ไหมนะสมมตินะสมมติเอาไม่ต้องเอาเลขดีกว่าเอาพวกเราคนอยู่วัดเนี่ยเอาธรรมข้อนี้ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยนะ แต่เราเนี่ยปฏิเสธก่อนแนละไม่รู้ปฏิเสธก่อนเลยไม่รู้พอปฏิเสธเนี่ยคือคือให้เห็นว่าจริงๆเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือจากเราสักร้อยอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ตอนนี้เราปฏิเสธก่อนเพื่อที่จะลดจากร้อยเหลือ5ก็คือว่าไม่รู้อา่าไหนลองมาดูสักนิดหน่อยที่อะไรเงี้ยคืออันนี้เป็นเชิงปฏิเสธไว้ก่อน เข้าใจไหมปฏิเสธก่อนคล้ายๆกับว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะมาถามเรามากเดี๋ยวจะต้องมาให้เราเสียเวลาอธิบายมากเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธเพื่อที่เราจะได้ตอบแคน่น้อยๆหรือว่าเพอๆดูแล้วถ้ามันไม่น่าที่สนใจเท่าไหร่ก็จะได้ปฏิเสธยิ่งขึ้นกว่านั้นไปเข้าใจไหมมันเราจะสังเกตไหมบางทีเนี่ยบางคนมาอของความช่วยเหลือหน่อยได้มามอ่าพวกเราบอกว่าเอาวองบอกเร า, ะาจะเรื่องอะไร คือคื อ, ค อ, คอที่ ท, ที่อันนี้ไม่ต้องมีคําว่าไห่ก็ได้ใช่ไหมแต่จิตเราเรารู้ว่าจิตเราเนี่ยเชิงปฏิเสธแล้วเข้าใจไหมคือถ้าบอกมาถูกใจก็จะช่วยถ้าไม่ถูกใจไม่ช่วยอ้าวอันนั้นอันนั้นเป็นมุมที่ว่าบริสุทธิ์ใจจริงใจเข้าใจไหมแต่ที่อาจมาพูดเนี่ยอาจมาจะพูดในมุมตัวอย่างของเขาพวกที่แบบว่าเขาอยากจะ ขอความช่วยเหลือร้อยแต่ว่าเราจะให้เขาแค 5, ่5้าไงเข้าใจไหมเพราะมันจะเชิงแบบว่าปฏิเสธไปก่อนมันจะเป็นเชิงอย่างนั้ น, นจะรู้หรือว่าไม่รู้ก็ตามแต่ว่าไอ้อ้าง ก, กริยาหรือว่าคําพูดหรืออะไรต่างเนี่ยมันมีเจตนาให้เขารู้ว่าเราจะช่วยเขาแค่นิดหน่อยนะเราจะไม่ช่วยมากเข้าใจไหม อ า, อาจจะมีจิตไม่ดีกับคนนั้นก็ตามนะหรือว่าก็ไม่ใช่ว่ามีจิตอะไรอ่ะโกรธเกลียดชังอะไรกันแต่ว่าเขาอาจจะมีปัญหาอะไรของเขาอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะปฏิเสธไว้ก่อนอเพื่อที่จะแต่ว่าไม่ใช่แบบปฏิเสธแบบเด็ดขาดคือว่าไม่รับเลยไม่ใช่แต่ว่าแทนที่จะรับร้อยไม่เอารับแค่หพอใช่ไหมล่ะ เนี่ยคือคือพยายามจะหาตัวอย่างมายกเพราะว่าอย่างที่เขาบอกมาเนี่ยบอกว่ากินอะไรเปล่ากินขนมมานะอาจจะมารู้สึกว่าไอ้ น, นี่มันธรรมาดามันไม่ใช่ว่าปฏิเสธอะไรอ่ะใช่ไหมบางที เ, เราเผลอถ้าเราเผลอเราอย่างเปล่ากินขนมมาไม่ได้คิดปฏิเสธอะไรนะอืมถ้าจะปฏิเสธเนี่ยถึงว่ากินอะไรนะกินอะไรมาอย่างเงี้ยถ้าจะเป็นเชิงปฏิเสธเราอาจจะบอกว่า ถามทำไมอ่นะนถ้าเป็นเชิงปฏิเสธคือพูดเป็นเชิงเหมือนอย่างว่าไม่อยากให้ถามอ่ะใช่ไหมหรือว่าหรือว่าอะไรที่ให้รู้ว่าเป็นเชิงปฏิเสธลดลดไอ้ที่เขาต้องการคาตอบนั่นนะ่ะลงไปนะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอีกส่วนหนึ่งของลักษณะของอะไรอ่ะพวกปฏิเสธไว้ก่อนนะพวกปฏิเสธไว้ก่อนอันนี้ลองดูหัวข้อต่อไป 5.2.3 คือพวกที่พวกไม่ไม่ทำทั้งห้าทั้งร้อยโอนี่คือพวกปฏิเสธเต็มเลยเต็มที่เลยคือไม่รับเลยงพวกนี้พวกนี้พิเศษหน่อยคือถ้าให้ทำอะไรนั้นทำมากไปก็ไม่ทำทำน้อยไปก็ไม่ทำกลับออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งเรียกว่าพาเราออกไป จิตพวกนี้เราจะเห็นชัดในพวกที่ชอบมีความคิดเห็นไม่ค่อยเหมือนกับใครชอบย้อนแยง้งตรงข้ามกับความคิดผู้อื่นอยู่เสมอใครเขาอย่างนี้ฉันจะเอาอย่างโน้นเข้าตำลามาริวันเสียเสียอย่างอะไรเนี่ ย, น, ยนั่นสิแล้วมันหมายถึงอะไร เอเ อ, อเราไม่ได้ดูหนังอันนี้เราก็เลยไม่รู้เรื่องย น, นั่นนะสิมะลิวันเสียอย่างเแล้วมันหมายความว่ายังไงอ่ะไม่ง้อใค ร, อ, ใครอ่ลักษณะพวกนี้ออกจะซ้อนกับพวกที่เป็นอัจฉริยะสักหน่อยต่างกันตรงที่ว่าอัจฉริยะมองอย่างกว้างไกลลึกซึ้งไตรตรองรอบครอบ พร้อมที่จะเห็นด้วยได้ทันทีแต่พวกนี้เกิดมาเพื่อเป็นฝ่ายค้านโดยเฉพาะใครเขาใช่ใครเขาใช่ฉันก็ไม่อ๋อใครเขาบอกว่าใช่ฉันก็จะบอกว่าไม่ใครเขาไม่ฉันก็จะใช่ <c oughs> เรียกว่าเกิดมาเพื่อค้านลูกเดียวค้านไปหมดจนแม้แต่ค้านกับความดี อาตมาเขียนเราคิดอะไรลงชาดกเราคิดอะไรเล่มใหม่นะเพราะว่าชื่อของเขาไปทำานองว่าคนคนที่พูดแปลกไปจากคนอื่นเนี่ยนะคนที่พูดแปลกไปจากคนอื่นเนี่ยเป็นคนที่ทำความถูกต้องได้เก่งนะในที่นี้เนี่ยมันมีสองมุมคือทำความถูกต้องได้เก่งเนี่ยคือมุมหนึ่งก็คือว่า คนเขาจะได้รู้เลยว่าไอ้ น, นี่เป็นยังไงก <c oughs> ็ใจไหมคนที่มันพูดแปลกไปจากคนอื่นเนี่ยคือูดเอายิ่งยิ่งจากอันตมา จ, จะลากมาให้ตรงกับตัวอย่างนี้คือคนที่ชอบพูดไม่เหมือนใครเขาเนี่ยยิ่งพูดบางทีตรงข้ามกับคนอื่นเขาเลยคนอื่เขาพูดอย่างนี้ไอคนนี้กับพูดไปตรงข้ามกันเลยนะสิ่งที่เราจะได้จากคนนี้ก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าเราได้ความชัดอย่างหนึ่งจากคนคนนี้ ถ้าคนนี้พูดถูกดูนะถ้าคนนี้พูดถูกคนนี้เอาละอาจจะเป็นอัจฉริยะเลยเพราะมันโอ้โหคิดไม่เหมือนใครจริงๆอ่าบางทีตรงข้ามกับคนอื่นอย่างเงี้ยแต่ถูกอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องอัจฉริยะหรืออาจมาใช้อีกคำหนึ่งบาบาไม่ใช่เอาเอาคิดถูกสิแสดงว่าเอามุมว่าคนนี้คิดถูกก่อนถ้าคนนี้คิดถูกเนี่ยอาจมาบอกว่าเป็นอัจฉริยะหรือไม่ก็เป็น อริยะไม่ใช่แค่อัจฉริยะนะอัจฉริยะอัจฉริยะนี่อย่างหนึ่งล้อ่าอัจฉริยะนี่อาจจะแบบแบบโลกโลกก็ได้นะเข้าใจไหมเพราะอัจฉริยะนี่หมายถึงว่าคนฉลาดอ่าคนมีปัญญาธรรมดาทั่วๆไปที่เป็นคนโลกโลกก็ได้คนโลกีก็ได้แต่เฉดียวฉลาดมากมีไอคสูงแต่ถ้าเป็นอริยะก็พูดตรงกันข้ามกั บ, บคนอื่น อย่างผู้เจ้าเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เป็นสุขผู้เจ้าบอกอย่างนี้เป็นทุกข์ถ้าอย่างไรคนบอกบอกว่าสุขผู้เจ้าบอกว่าทุกข์ถ้าอย่างไรคนบอกว่าทุกข์อย่างนั้นผู้เจ้ากลับตัดว่าเป็นสุขเนี่ยพูดตรงข้ามกับคนอื่นเขาเลยนาแต่อย่า ง, งนี้เนี่ยเป็นอริยะมันต่างกันตรงที่ว่าอันนี้ก็พูดถูกนะแม้ว่าจะพูดตรงข้ามกับคนอื่นนะพูดถูกแต่ ถูกโดยถูกสัจธรรมด้วยไม่ใช่แค่แค่พูดถูกแค่อะไรอะ่ะแค่ถูกต้องธรรมดาไม่ใช่แต่พูดถูกสัจธรรมด้วยนะอันนี้ถึงจะเป็นอริยะส่วนคนที่พูดแปลจากคนอื่นเหมือนกันคราวนี้แต่พูดผิด พ, พูดไม่ได้ถูกต้องหรอกนะเหมือนเนี่ยตัวอย่างที่เขากำลังจะยกมาเนี่ยคือพวกที่พูดมันศักดิ์แต่ว่าพูดไปให้มัน มันค้านกับคนอื่นเขาอะมันแย้งกับคนอื่นเขาเท่านั้นเองพวกนี้อาตมาบอกว่านี่พวกนี้ไม่ใช่อชริยะไม่ใช่อาริยะพวกนี้ประเภทพวกคนบ้านั่นบ้าพวกพวกไม่รู้ละจะให้มันตองข้ามกับคนอื่นอยู่เสมอไปนะก็จะค้านแย่งอยู่เรื่อย เนลักษณะจิตพวกนี้จะเห็นชัดตรงที่ตีความหลักธรรมแปลกออกไปจากปกติจนยากที่ชาวบ้านทั่วไปจะเข้าใจได้รู้กันเฉพาะหมู่แคบๆเท่านั้นเองแล้วก็หลงภูมิใจในความคิดของตัวเองผู้ใดที่ถนัดในการใช้ไม่ทาทั้งห้าทั้งร้อยก็ย่อมยากที่จะให้ชีวิตราารื่นอยู่กับโลกของโลกความคิดเข้ากับใครไม่ได้ อยู่กับธรรมะก็ไม่ลงตัวกับมูก็จะกลายเป็นคนตกโลกไปอย่างน่าเศร้าใจคืออันนี้นี่เขายกบ้าพวกที่ถือศีลปฏิบัติธรรมด้วยแต่ค้านแย่งมัด่าไปอะโดยที่ไม่ได้ถูกสัจธรรมเหมือนที่จะมาบอกเข้าใจไหมวันพวกนี้นี่อยู่กับมูอะไรเขายากนั้นอยู่กับเขาไม่ได้หรอกเพราะมันคิดแต่จะค้านเขาเรื่อยเขาบอกให้ไปเหนือมันจะไปใต้นะ เขบอยขึ้นมันจะลงอะไรอย่างเงี้ยมันค้านเขาอยู่เรื่องอย่างเงี้ยมันอยู่กับเขาไม่ได้หรอกเนี่ยฝ่ายค้านพวกนี้จึงมีอยู่อย่างหนึ่งที่ทําไม่สําเร็จนั่นคือความทุกข์ในจิตใจของตัวเองที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือหาเหตุผลมาทําลายให้กลายเป็นความสุขได้เรียกว่าเรื่องไร้สาระค้านแล้วก็เก่งพอเรื่องมีสาระงงเป็นไก่ตาแตกนะอันนี้ เขาพูดอย่แ ง, ง่ว่าคนพวกนี้จะทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะมันจะกลายเป็นคนที่มีจิตคิดค้านอยู่เรื่อยใครก็จะทําอะไรเนี่ยค้านมันด่าไปมีเหตุผลสิแหมไม่มีเหตุหผ ล, ผลค้านไม่ได้นะมันต้องมีเหตุผลเหมือนกันมีเหตุผลแต่มันค้านอยู่เรื่อยมันประเภทพวกหัวสมองกลับอะนะครับไม่รู้แหละ ขอให้ได้ค้านเนี่ยใครเขาพูดอะไรมาก็ค้านค้านค้านมันอยู่ล่ำไปอ่ะก็นั่นไงพราะพวกนี้จะทุกข์นี่ไงก็เขาบอกนี่ไงพวกนี้จะทุกข์อยู่ตลอดเวลามันจะไม่มีความสุขได้ไงล่ะแต่คุณรู้ไหมล่ะว่าทําไมเขาถึงชอบค้านอยู่เรื่อยพอค้านได้เขามีความสุขเขาชอบแบบนั้น เข้าใจไหมเขาชอบแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยสภาวะจิตจริงๆเนี่ยมันไม่สุขแต่มันเป็นกิเลส ข, ของความอยากของความอยากคือมันมันมันมันเหมือนกับอะไรอะ่ะมันมันคันหัวใจถ้าเวลาสมมุติว่าใครเขาบอกว่าอา้าวสมมุติว่าไปช่วยกันกวาดพื้นหน่อยใช่ไหมไอ้นี่มันต้องคิดละต้องคิดค้านกับคนอื่นเขาละ ไปกว่าจะไหมพื้นตรงนี้จะกว่าที่ไปกว่าที่ตรโง่ดีกว่าตรงเนี้มันไม่ควรกว่าดหรอกเพราะพวกนี้เนี่ยคิดอย่างเนี้มันมันมันแบบว่ามันไปกับเขาไม่ได้แน่นอนเข้าใจไหมมันไปกับเขาไม่ได้แน่นอนแต่อัตมาบอกแล้วว่าพวกเนี้มันมันมันคิดจนเคยชินมันคิดจนติดและจนเป็นนิสัยอัตโนมัติเลยนะพอเวลาใครพูดอะไรหรืออะไรขึ้นมาปั๊บมันทันทีมันจะขึ้นมาเลยตัวนี้ ที่อาตมาคราวที่แล้วอาตมายังเคยบอกว่าอาตมาเคยเป็นอยู่ช่วงหนึ่งที่ยังนึกนึกอยู่ในใจว่าเออเราเป็นคนขวางโลกหรือเปล่าว่าบางทีมันชอบคิดแย้งเขาอยู่เรื่อยนะต่อให้เขาพูดมาถูกก็ยังแย้งเขานะเนี่ยเนี่ยต่อให้พ่อทันเทศเนี่ยอาตมาคิดแย้งก็ได้มันจะหาเหตุผลมันแย้งจนได้แหละมันเป็นกิเลสมันเป็นอะไรมันเป็นกิเลสเราเราเรารู้สึกมันเนี่ยในจิตจริงๆมันรู้สึกว่ามันมันแต่ว่า มันเป็นความมันแบบมันเหมือนกับซาดิทมุมหนึ่งมันมันก็ไม่ไม่ถึงกับอย่างนั้นหรอกแต่ว่าคล้ายๆมันมันมันมันเคยชินซะแล้วน่ามีอยู่ช่วงหนึ่งจะเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยเลยยิ่งยิ่งถ้าสมมุติว่ายิ่งคิดว่าเป็นแบบศิลปินเนี่ยนะมันทําตามใครเขาไม่ได้ไอ้พวกศิลปินเนี่ยบางทีทําตามใครรู้สึกแหมเสียเกรดเหมือนเสียเกรดมันต้องทําอะไรที่บ้าบ้าบบออกไปจากคนอื่นเขา แล้วมันยุติคืเนี่ยเป็นศิลปินอันมาฉันบอกมันมีความมันพวกเนี่ยอยู่ในหัวใจด้วยคุณเข้าใจไหมแต่จริงๆแล้วมันทุกนะมันทุกตรงไหนมันต้องคอยคิดค้านแย่งกับคนอื่นเขาอยู่เรื่อยต้องทําอะไรไม่ให้เหมือนชาวบ้านอยู่เรื่อยถ้าชาวบ้านเขาทาอย่างนี้ต้องทำอย่างอื่นถ้าเขาตัดผมสั้นกันต้องไว้ผมยาวถ้าเขาไว้ผมยาวต้องตัดผมสัน้นคือมันมันจริงๆมีจุด เรียกร้องความต้นใจมีจุดที่ต้องการให้เด่นมีจุดอะไรพวกเนี้เป็นกิเลสซ้อนซ่อนอยู่